ก็ยอมตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปในเบื้องต้นนี้ขอให้ทุกคนพากันว่าตามตมมาจะเป็นผู้นำข้าพเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสง คุณบิดด า, ามานดาคุณครูบ้าอาจารย์จงนาดนบรรด า, าด ร, รดาให้ใจของข้าพระเจ้า จ, ง, า จ, าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธ okay. ทโทธรรมโมสังโคพุทโทธธรรมโมสังโค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 เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าใจของเรานี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งประเสริฐและเราทำอย่างไรกับสิ่งประเสริฐนี้จึงจะสำเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์บุคคลทุกคนได้มีใจด้วยกันทั้งนั้น พระการมีใจนั่นเองคือเป็นผู้ที่มีของประเสริฐอยู่ที่ตัวของเราแล้วทุกคนเมื่อเราได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการทำสมาธิจึงเป็นการถูกต้องแล้วที่เราได้ปฏิบัติสิ่งประเสริฐ ให้มีผลประโยชน์แก่ตัวของเราถ้าแม้นว่าเราไม่ได้มาบำเพ็ญทางใจเราก็จะเสียทีเสียหายในการที่เราเกิดมาเป็นคนพบพพุทธศาสนาเราเกิดเป็นมนุษย์ พ, พุทธศาสนาแล้ว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 เป็นพระเป็นเนนก็ลเลเทอะเป็นทารวาดก็ลเลเทอคำว่าลเลเทอะก็คือเปลื้อเปือนหมายถึงว่าเป็นผู้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องควบคุมเมื่อไม่มีสิ่งควบคุมแล้วก็เป็นโอกาสของพวกกิเลสคืออวิชชาตัญหาอุปทาน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 เพราะว่าจิเลตนั้นได้ปลอมตัวเข้าไปเป็นตัวของเราเสียแล้วเมื่อมันปลอมตัวเข้าไปเป็นตัวของเราก็เลยทำให้ความเข้าใจผิดคือตัวของตนนั้นเป็นผู้เข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดก็คิดว่าเรานี้เป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขา แสดงถึงบทบาทต่างๆเมื่อแสดงบทบาทต่างๆก็นึกว่าบทบาทนั้นเรามันดีกับเราจริงๆเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความสามารถมีความดีซึ่งใครๆสู้เราไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าพวกกิเลสกิเลสเหล่านี้จะมีอยู่ในจิตใจ ของผู้ที่ไม่ได้รับการควบคุมนอกเหนือจากนั้นจิตใจของผู้ที่ไม่ได้รับการควบคุมนั้นเลยเข้าใจผิดต่อไปอีกว่เช่นบุคคลผู้ที่เป็นพระจะเป็นภิกษุเป็นสามเณี น, เ, นเรียกว่าเป็นนักบวชก็นึกว่าตัวเราเป็นฆราวาสกระทําในสิ่งที่ผิดจาก มันระายะาของภิกษุมันระายะาของนักบวชที่จะพึงมีเพราะอะไรเพราะว่าผู้นั้นไม่มีสมาธิเป็นเครื่องควบคุมแม้จะมีผ้ากาสาวพั์คือมอีผ้าเหลืองเป็นเครื่องคลุมตัวอยู่ก็เหมือนกันกับคลุมตอไม้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 ด้วยอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจของการยกยอป้อนจากบุคคลเข้าใจว่าเรานั้นเก่งบ้างใหญ่บ้างโตบ้างก็เป็นไปตามเรื่องอันนั้นคือความที่มีไม่มีสมาธิเป็นเครื่องควบคุมเมื่อผู้ที่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 ก็ทำให้ผู้นั้นเป็นที่น่าเคารพน่ากราบน่าไหว้เป็นปูชนียบุคคลได้ด้วยเหตุอย่างนี้การทำสมาธิจึงมีคุณะสมบัติหรือมีความดีที่เหลือที่จะสุดที่จะพันรนาได้เมื่อเขาได้เป็นผู้ที่ สร้างสมาธิสร้างความมั่นคงภายในจิตใจแล้วเขาจะกลายเป็นปูชนียบุคคลคือบุคคลที่สมควรแก่การกราบไหว้สมควรแก่การที่จะทำบุญให้ทานด้วยเป็นอย่างนั้นนอกเหนือจากที่ว่าจะเป็นปูชนียบุคคลแล้ว คุณธรรมความดีหรือเรียกว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นย่อมจะเป็นเครื่องกำจัด ก, กิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจไปในตัวด้วยคือได้ผลหลายอย่างหลายประการแม้ว่าการบำเพ็ญสมาธินั้นจะลำบากมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีความอึด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 หรือลบล้างความคุ้งซานในจิตใจของเราและลบล้างพวกกิเลสที่มันคอยมาสิงอยู่ในจิตใจของเรานั้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นถึงว่าเราจะลำบากในการบำเพ็ญสมาธิก็ได้ผลคุ้มค่าเรียกว่าคุ้มค่าเหลือที่จะคุ้ม เพราะคนเรานั้นถ้าหากว่าจากชาตินี้คือตายแล้วเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีเนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความเสียหายในชาติในชาติของเรานี่ที่เกิดต่อไปมันกลายเป็นเช่นนั้นไปอ่ะมันเกิดความเสียหายอย่างมหาศาล นียกว่าแก้ไม่ได้เมืเ่อเกิดจะเป็นสัตยริจฉานก็ต้องอยู่เป็นสัตยริจฉานเป็นชัดๆมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นแก่พวกเราชาวพุทธที่ได้พบพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราพากันมาทําสมาธิโอกาสที่จะไปเกิดเป็นสัตย์เดรัจฉานในนรกนั่น เรียกว่าน้อยมากหรือว่าปิดนรกได้เลยหรือว่าปิดอบายภูมิได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราจะตายนั้นก็จิตนี้เองที่จะออกจากร่างร่างกายอันนี้ในเมื่อจิตนี้เตรียมที่จะออกจากร่างทุกอย่างที่มีอยู่จิตก็ต้องพร้อม ะเรียกว่าเตรียมพร้อมช่วงระยะวินาทีเท่านั้นเองจิตจะพร้อมหมดทุกอย่างสมาธิที่เราได้กระทำมาแล้วจะเป็นสิบครั้งร้อยครั้งหรือจะเป็นกี่ครั้งก็ตามทำไวที่ไหนก็ททำไว้ที่ใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นเวลาใจจะออกจากร่างไปนี้ สมาธิทั้งหมดมันก็เก็บเอาไปหมดไม่มีอะไรเหลือก็เรียกเก็บเรื่อพร้อมเมื่อพร้อมแล้วในชั่ววินาทีนะั้นสมาธิย่อมจะต้องเกิดขึ้นกับเราเมื่อสมาธิเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเรียกว่าปิดได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่า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 ให้เกิดความผ่องใสหรือให้เกิดจิตน้สูงขึ้นตามลำดับเมื่อจิตนี้สูงขึ้นตามลำดับก็ถือว่าเรายิ่งได้ประสบผลสำเร็จยิ่งได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นถ้าเรามาคิดถึงว่าเราเกิดมาเพื่อโลกเราเกิดมาเพื่อ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 สมบัติเหล่านั้นให้ความสุขเราก็จริงจริงเพียงว่าให้ความสุขในปัจจุบันคือในปัจจุบั น, นาชาตินี้แต่ว่าทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นไม่มีประโยชน์เมื่อเราตายไปแล้วไม่มีประโยชน์เพ mm. ราะเราจะกลับคืนมาปกครองสมบัติเหล่านั้นอีกก็ไม่ได้ และเราจะเอาตามไปด้วยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอาไปได้คือสมาธิที่เราพากันทำอยู่นี้เองแม้จะเท่าปีกริ้นคือนิดหนึ่งหรือแม้จะเท่าสักไก่ปรบปีกนิดหนึ่งเท่านั้นก็ยังเป็นเชื้อที่มีความดีมากเหลือหลาย อย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่บำเพ็ญสมาธินั้นผู้มีสมาธิในจิตนั้นเทหังเทวกายามมนุษย์สังเทหังเทวกายยงมนุษย์เทหังก็หมายความว่าเมื่อละจากกายเป็นมนุษย์เทวกายาม ก็ได้กายเทพหรือเรียกว่ากายเทวดานี่คือผลของสมาธิท่านว่ามนุษย์สังเทหังเทวากายยาัเมื่อละจากกายอันเป็นมนุษย์ก็ไปได้กายเทวดาซึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนาคือหมายความว่าเพิ่มความดีของเราให้สูงยิ่งขึ้น สมาธินั้นถ้าเราจะไปปรารถนาสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไรนักเพราะสมาธิต้องตัดอารมณ์เรานั่งสมาธิเพื่อความปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้มันกลายเป็นอุปทานและกลายเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นการทําสมาธิท่านจึงไม่ให้ปรารถนาเพื่อ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 สี่อสงไขยแสนกับสี่อสงไขยแสนกับนั่นบําเพ็ญบารมีไว้ที่ไหนบําเพ็ญบารมีไว้ที่ใจและพระองค์ทําสมาธิมาตั้งแต่ชาติแรกที่พระองค์ปรารถนาโพธิญาณชาติที่พระองค์เป็นสุมเมธทะลือศีชาตินั่น พระองค์ก็ได้ฌานสมาบัติแล้วเมื่อพระองค์บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็บำเพ็ญสมาธิแต่ละชาติตามลำดับมาพลังจิตนั่นเองที่ได้สมที่ได้สะสมเรียกว่าสะสมวัสนาบารมีพระองค์จึงมีบารมีถึงสิบบารมีด้กัน นับไปตั้งแต่ทานบารมีศินบารมีจนกระทั่งถึงอุเบกขาบารมีก็ถือวบารมีสิทัศน์และบารมีเหล่านั้นก็มารวมเป็นพลังจิตของพระองค์พระองค์ก็เกิดมีพลังตามลําดับจากชาตินั้นมาถึงปฉิมมาาวิกชาติสุดท้ายชาติชาติสุดท้ายนี่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ด้วยอาศัยพลังที่พระองค์ได้สะสมมาแล้วเราเรียกกันว่าพระองค์สะสมบารมีแต่ว่าที่จริงแล้วก็คือการสะสมพลังจิตนี่เองเมื่อถึงที่สุดถึงที่สุดตัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มีฤทธา พระองค์ก็มีทุกอย่างเรียกว่าสัพพยุตตยานสามารถที่จะระลึกชาติผลหลังได้สามารถที่จะแสดงฤทธ์ต่างๆได้สามารถที่จะรู้จักใจคนได้นี่เรียกว่าพลังจิตที่ได้อบรมมาเต็มที่แล้วเรียกุณไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่เท่ากันกับพระองค์ ฉันใดก็ดีพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราก็มนุษย์พระพุทธองค์ก็มนุษย์พระองค์งบำเพ็ญบารมีเราก็บำเพ็ญบารมีเรียกว่าอย่างเมื่อเช้าเราทําทานกันถาวายอาหารภิกษุสามนเณรก็เรียกว่าทานบารมีเราพากันมารักษาศีล ก็เรียกว่าสมทานอุโบสถศินก็เรียกว่าศีลบาลมีเราไม่กลับบ้านเรานอนอยู่ที่วัดก็เรียกว่าเนคขมะบาลมีเราตั้งสัจจะว่าเราจะรักษาศินวันหนึ่งก็คือหนึ่งไม่ให้ขาดก็เรียกว่าสัจจะบาลมีเรา รักษาศินอยู่เราก็ไม่ให้สินขาดถึงแม้ว่าเราจะลํำบากนักอดอาหารตั้งแต่เวลาวิการไปจนกระทั่งถึงอรุณขึ้นมาใหม่เราก็มีความอดทนไม่ยอมถึงแม้มันจะหิวเท่าไหร่เราก็ไม่ทานเพราะเรารักษาศินอย่างนี้แคาเรียกว่าขันติบรมี นอกเหนือจากเราจะรักษาศีลแล้วเราก็นั่งสมาธิอกีกอย่างนี้ก็เรียกว่าวิริยะบรมีเมื่อเรารักษาศีลและเรานั่งสมาธิเราก็มีจิตใจมั่นคงไม่วอกแวกมีจิตใจที่เหนียวแน่นมั่นคง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 ความสุขของตนให้แก่บุคคลผู้อื่นด้วยการแนะนำด้วยการพร่ำสอนด้วยการช่วยเหลืออะไรต่างๆเหล่านี้ท่านเรียกว่าเมตตาบา ร, รมีเมื่อเราไม่อยู่ในวัดเราก็ไม่คิดถึงใครจะเป็น สามีภรรยาใครจะเป็นลูกหลานสิ่งใดเป็นทรัพย์สินสมบัติเราก็ไม่ใยดีเรานึกถึงแต่สินของเราอยู่ตลอดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุเบกขาบารมีในที่สุดเราก็ได้แล้วซึ่งบารมีถึงสิทธัต เราก็ได้แล้วบารมีครบถ้วนในการปฏิบัติที่เรามากระทำเมื่อเราท่านทั้งหลายได้กระทำเช่นนี้จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานพระนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังป ร, ะระมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังป ร, ะระมังสุญญ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 เพื่อให้ถึงพระนิพพานจึงจำเป็นจะต้องเดินทางเข้าสู่สัจธรรมพิจารณาซึ่งอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมนั้นคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายก็คือตัวเรานี่เกิดมานี่แก่นี่เจ็บนี่ตายรู้ปัง คือรูปอันนี้เองที่เป็นตัวเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นทุกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์จริงอย่างนั้นเกิดมาก็เหลือจะทุกข์แก่แล้วก็แสน จ, จะทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็แสนจะเวทนา ตายก็แสนที่จะเวทนาอย่างนี้เพราะฉะนั้นสี่ประการสี่ประการคือเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็น่จึงเป็นทุกข์ร่างกายของเราเป็นผู้เกิดมาเป็นผู้ประสานงานที่จะทําก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่และเมื่อเรารู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์เราจะทําอย่างไรจะทําอย่างไร จึงจะพิจารณาให้เห็นเป็นสัจจะคือทุกขะสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงคือทำปรากฏให้เห็นเป็นความจริงการทำปรากฏให้เห็นเป็นความจริงนั้นอาศัยพลังจิตเมื่อพลังจิตมีมากเรากำหนดจิตหลับตาอยู่แล้วแห่งดูไปที่รู้คือรูปัง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 อย่าแก่เราบอกว่าอย่าแก่มันก็จะต้องทําตามเราอย่าแก่ลูกนี้อย่าตายมันก็ต้องทําตามเราว่าอย่าตายแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในอํานาจของเรามันจึงไม่ใช่ตัวตนเมื่อความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พิจารณาเห็นเช่นนี้เรียกว่าปาริยยันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปไม่ใช่ตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกําหนดรู้การกําหนดรู้นั้นคือการใช้ญาณเรียกว่าวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณ น, นั้นนั่นจะเกิดขึ้นในเมื่อเราพิจารณารูปท่านปัญจวัคคีย์ที่ท่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะท่านพิจารณารูป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 การที่จะเกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยพิจารณาหลายครั้งเหมือนกันกันกบเรากว่าจะทำจิตให้สงบได้นั้นเราก็ต้องทำนับครั้งไม่ทวนกว่าจิตนี้จะสงบได้วิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเราก็พิจารณาดูรูปนี้นับครั้งไม่ทวนในที่สุดก็เกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นมา เมื่อเกิดความเวือนายขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นก็ถือว่าเป็นผู้กาหนดรู้ได้แล้วปริยยันติเมพิกะเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกาหนดรู้ผู้นั่นกาหนดรู้ได้แล้วเมื่อกาหนดรู้ได้เกิดขึ้นมาเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างไรอีกต่อไปก็จำเป็นจะต้องทำให้มากยิ่งขึ้น เพราะการพิจรารณาวิปัสสนานั้นก็เหมือนกันกับการต้มหรือเรียกว่าการหุงข้าวการหุงข้าวนั้นเราจะหุงพับสุกปุ๊บไม่ได้ต้องใส่ไฟแล้วจนกว่าจะเดือดจนกว่าจะสุกก็ต้องใช้เวลาวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันจาเป็นที่จะต้องใส่ไฟ คือตะปะความเพียนแผดเผาพิจารณาเผาร่างกายอันนี้ให้เป็นจุนวิจุนให้เหลือแต่กระดูกให้เหลือเป็นดินน้ำไฟลมให้เกิดความนิพิทยานความเบื่อหน่ายอยู่ตลอดนับครั้งไม่ถ้วนจึงจะไปประสบผลที่ว่าประสบผลนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสต่อไปว่า ปะหากับบันติเมพิกเทเวดูกรภิกษุทั้งหลายจะมุทไทควรละการละนั่นละจากตัณ ห, หาความทะเยอทะยานตัณหาความทะเยอทะยานความกำหนัดยินดีลาคะโทสะความโกรธโมหะความหลงสิ่งเหล่านี้เรียกว่าจะมุทไท ที่เรียกว่าสมุทัยเพราะมันก่อให้เกิดทุกข์ถ้ามีพวกนี้แล้วก็ทุกข์ล่ำไปเพราะฉะนั้นถ้าวิปัสสนาพิจารณาละาพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจับลงไปในรูปนี้ได้แล้วก็จะเกิดความละขึ้นปัญหาก็จะน้อยลงไปราคะความกำนักยินดีก็น้อยลงไป โมหะความหลงก็น้อยลงไปความโมโหโทโสต่างๆก็น้อยลงไปตามลําดับอย่างนี้เรียกวุณละจากมุทไทวุละแต่ในสมมุทไทนี้ท่านอธิบายไว้มากนักในคำภีวิสุทธิมักท่านแสดงสมมุทไทว่าสามุทไทห ย, ยาบและสมมุทไทละเอียดสมมุทไทห ย, ยาบนั้น ได้แก่การที่มีกิเลสคือมีความกำหนัดยินดีมีความหลงในรูปสวยงามอะไรต่างๆเกิดตัณหาความทะเยอทะยานอันนี้เรียกว่าสมุทัยหยาบสมุทัยละเอียดนั้นคือการเข้าไปยึดถือว่าเราได้สําเร็จชั้นนั้นบ้างได้สําเร็จชั้นนี้บ้าง เมื่อไปยึดถือว่าได้สำเร็จเมื่อไรก็เกิดกลายเป็นอุปทานนันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่วิปัสสนูปกิเลสคือกลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสไปอันนั้นเรียกว่าสามุไทไัยละเอียดคือไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวสำเร็จความจริงความสำเร็จนั้นมีได้หมายความว่า เราไปพบสิ่งอัศจรรย์แล้วเกิดความสำเร็จย่อมไม่ใช่ความสำเร็จนั้นมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราทำก็เปรียบกันง่ายๆเหมือนกับรับประทานอาหารเมื่ออิ่มแล้วก็ถือว่าสำเร็จการที่จะ อ, อิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราทำจนคือหมายความว่ารับประทานไปจนกระทั่งถึงจุดมันก็อิ่ม วิปัสนาหรือเรียกว่าการพิจารณาให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์เกิดนิพพยานความเหมือน่ายขึ้นมาก็เช่นเดียวกันมันก็จะต้องไปสู่ที่จุดแห่งความเพียงพอแห่งความต้องการเพราะฉะนั้นการที่มันไปถึงจุดนั้นน่ะเราจะว่ามันสำเร็จนั้นย่อมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารนี่ มันอิ่มไปทีหนึง่งก็ถือว่าสําเร็จเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่สิ่งที่สําเร็จโดยแท้จริงคนกินอิ่มนั้นจะโตขึ้นไม่ได้ทันทีกว่าจะโตขึ้นนั้นเราจะต้องอิ่มนับครั้งไม่ถ้วนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งจึงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะ อ, อันนั้นเรียกว่าความสําเร็จเป็นหนุ่มความสําเร็จที่ร่างกายสมบูรณ์ขึ้น อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ยึดพอเราอิ่มไปทีหนึ่งเราก็ยึดว่าโอ้เราได้สำเร็จแล้วก็เหมือนกับเด็กทารกที่กินอิ่มแล้วก็นอนหลับสบายนึยกว่าสำเร็จเป็นหนุ่มแล้วไม่ใช่หนุ่มนั่นมันเป็นเด็กทารอกเช่นเดียวกันนั่นแหละกับสมุทัยละเอียดการเข้าไปยึดถือตัวตนท่านจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนา ยังมีอีกข้อหนึ่งพระองค์ทรงแสดงว่าสัจจิกากับบันติเมพิกเทเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งที่ท่านแสดงอริยสัจไว้มีสี่ข้อนี้มันเป็นข้อต่อเนื่องกันแต่ข้อสำคัญที่สุดนั่นคือข้อแรกได้แก่ทุกขสัจ์พราะเมื่อทำ ทุกขสัตย์ให้ปรากฏเด่นชัดพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์เกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาที่เรียวกว่าเป็นทุกขสัตย์แล้วสมทุทัยสัตย์ก็บังเกิดขึ้นได้ละได้นิโรธสัตย์ก็บังเกิดขึ้นได้คือความรู้แจ้งและเห็นจริงหรือเรียวกว่าดับทุกข์เหมือนกันกับเราหิวอาหารมันเป็นทุกข์เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วทุกข์ก็หายไป เมื่อเราเป็นหนี้เขาเราก็เป็นทุกข์เมื่อเราใช้ห น, นี้เขาหมดความทุกข์ก็หายไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปลดเปลื้องเพราะฉะนั้นนิโลดคือสิ่งสำเร็จอย่างหนึ่งคือปลดเปลื้องเมื่อเป็นหนี้เขานั่นยังปลดเปลื้องไม่หมดเช่นเป็นหนี้เขาแสนหนึ่งเรากดเปลื้องไปได้มื่นหนึ่งมันก็เหลืออยู่ตั้งอีกตั้งเยอะ ถ้าเรากดเพื่องไปได้ห้าหมื่นก็ยังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งอย่างนี้นี่โลดก็เหมือนกันการดับทุกขนั้นก็ดับเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อใช้นี่เขาหมดถึงแสนก็เรีย ก, กว่าหมดภาระดับทุกไปเลยเหมือนกันกับผู้ที่พิจารณาเห็นจริงแจ้งประจับคล้องกันกันกบ ที่เราพิจารณาละภายในจิตใจนั้นเกิดกระแสความสว่างสวและเกิดความละเอียดขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าเราดับเรียกว่าดับความโง่หรือเรียกว่าดับทุกข์ไปแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่พระองค์ทรงสแสดงว่า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 แล้วก็ถูกต้องกับธาตุขันของเราก็ถือว่ารับประทานไปจนกว่าจะเราเกิดเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเรียกว่ามีกำลังเต็มที่เพราะฉะนั้นในคำที่ว่าพาเวตะบันติเมพิกเวดูกรภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากนั้นเมื่อเราได้หนทางแล้วเราก็ไม่หยุดยัง้งคือเราไม่ยอมหยุดยัง้ง เราพยายามพาวิโตจเจริญให้มากเท่ารีกโตจะทาให้มากอภิ ญ, ญายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิบานายะก็จะเป็นไปเพื่อความดับสนิทอย่างนี้เรี่ยกว่าอริยสัตว์เพราะฉะนั้นผลทางของพระพุทธศาสนานี้จึงมีอย่างต่ำ